หน้าสามริปฏิจจสมุปบาทอนุสัยความเคยชินจะเกิดเมื่อเมื่อใดนะเดี๋ยวดูที่ผู้เจ้าท่านตรัสเรื่องการเพลินต่อเวทนาเพลินต่อสุขเพลินต่อทุกข์ เลินต่ออัทุกขมะสุขจะเป็นเหตุให้อนุสัยเกิดขึ้นได้ทั้งนั้น <c oughs> ท่านบอกว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลาย <c oughs> เพราะอาศัยตาด้วยรูปทั้งหลายด้วยจึงเกิดจากขู่วิญญาณ <c oughs> การประจวบพร้อมแห่งธรรมสามประการตารูปจากขูวิญญาณนั่นคือผัสสะ เพราะมีพัสดะเป็นปัจจัยจึงมีเวทนานเพราะมีพัสดะเนี่ยการกระทบกันของตารูปวิญญาณเนี่ยเป็นเหตุจึงเกิดเวทนาขึ้นมาอันเป็นสุขบ้างทุกบ้างอทุกขมัสสุขบ้างคือไม่ใช่ทุกไม่ใช่สุขสุขบ้างทุกบ้างไม่ใช่ทุกไม่ใช่สุขบ้าง เวทนามีสามอาการเพราะมีอะไรเพราะภัสสะเป็นเหตุนะบุคคลนั้นเมื่อสุขเวทนาถูกต้องอยู่ย่อมไม่เพลิดเพลินไม่พร่ำสรรเสริญไม่เมาหมกอยู่อนุสัยคือราคะย่อมไม่ตามนอนแก่บุคคลนั้นท่านวงเล็บว่า ไม่เพิ่มความเคยชินให้อนุสัยต้องหมายถึงความเคยชินเด <c oughs> <c oughs> ิมเราเคยเคยหมายถึงลักษณะที่กิเลสที่นอนเนื่องอยู่ในสันดาน <c oughs> มันก็เลยรู้สึกว่าขุดไม่หมดสักทีนะ <c oughs> <c oughs> แต่จริงๆ <c oughs> เป็นเรื่องของความเคยชิน เราคุ้นเคยกับกุศลคุ้นเคยกับอกุศลคุ้นเคยกับอะไรเราจะเคยชินสิ่งสิ่งเหล่านั้นจิตก็จะวกไปหาสิ่งเหล่านั้นบ่อยๆนะเพราะฉะนั้นถ้าจิตเมื่อเสวยสุขเวทนาแล้วเราเพลินจิตไปรับรู้สุขเวทนาภัสสะกระทบปับ๊บเดินไปต่อรับรู้เวทนาอันเป็นสุขเพลินต่อไหม ถ้าเพลินต่อเรียกว่ามีราคานุสัยซึ่งตัวราคานุสัยปฏิคานุสัยนี้เป็นสังโยชน์ตัวที่สี่ตัวที่ห้าที่พระอนาคามีจะต้องละให้ได้พระโสดาบันพระสกะทาคามีละได้สามสักยะทิฏฐิวิจิกิจฉาสีระปตปรามาตอนาคามีจะต้องละได้อีกสองคือราคานุสัยกับปฏิคานุสัยถ้าโยมเพลินกับอารมณ์มันเป็นสุข ราคานุสัยก็เกิดขึ้นความพอใจในสุขเวทนา <c oughs> เพลินในทุกขเวทนาจิตไปเกาะอารมณ์ทุกขเวทนาไม่ยอมปล่อยก็เรียกว่าเพลินเหมือนกันก็จะเป็นปฏิคานุสัยไม่ดีทั้งคู่สร้างการเกิดได้ทั้งคู่ พระองค์ตรัสต่อว่าเมื่อทุกเขเวทนาถูกต้องอยู่เขาย่อมไม่เศร้าโศกไม่ระทมใจย่อมไม่คร่ำครวญย่อมไม่ตีอกกรํ่มให้ย่อมไม่ถึงความหลงไหลยอยู่อนุสัยคือปฏิฆะย่อมไม่ตามนอนแก่บุคคลนั้น ถ้าเราเพลินเราก็จะเพิ่มความเคยชินกับการยึดติดในปฏิคานุสัยยึดติดในอารมณ์ที่เป็นทุกข์ทุกขเวทนาถูกต้องสุขเวทนาถูกต้องตั้งไว้ซึ่งกายคตาสติได้ไหมเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่มีสติดึงกลับมาอยู่ที่ปัจจุบัน หรืออยู่ที่กายนั่นคือเรากำลังมีราคานู้สัยปฏิคานู้สัยนะเพราะฉะนั้นบอกว่าเอ๊ะละกลับมาไม่ดีไอ้ไปก็ไม่ดีนะไปก็เป็นราคานู้สัยปฏิคานุ้สายแต่ผู้เจ้าให้ทำอะไรก็ต้องทำตามลำดับที่ผู้เจ้าจัดไว้ให้พระเสขา ละอารมณ์สุขทุกพอใจไม่พอใจให้เลวดุจกระพิบตาอุเบกหายังคงเหลืออยู่นะต้องสร้างตรงนี้ให้ได้ต่อไปพระองค์บอกว่าเมื่อเวทนาอันไม่ใช่ทุกไม่ใช่สุขถูกต้องอยู่เขาย่อมรู้ตามเป็นจริงซึ่งเหตุให้เกิดเวทนานั้นด้วย ซึ่งความดับไม่เหลือแห่งเวทนานั้นด้วยซึ่งอัศาธะาของเวทนานั้นด้วยซึ่งอาทีนวะของเวทนานั้นด้วยซึ่งนิสสารนะของเวทนานั้นด้วยอนุสัยคืออวิชาย่อมไม่ตามนอนแก่บุคคลนั้นนี่คือลักษณะของการไม่เกิด ราคานุสัยปฏิคานุสัยกับอวิชานุสใสเมื่อจิตวางพอใจไม่พอใจแล้วตั้งอยู่เบกขาบุคคลนั้นไม่เพลินกับอุเบกขารู้จักเหตุเกิดรู้จักความดับรู้จักลดอร่อยรู้จักโทษของมันรู้ว่าอุเบกขาเนี่ยมันเบาสบายสุขประณีตสงบเย็นระงับ นะเป็นอารมณ์มันเป็นกุศลแต่ขณะเดียวกันก็เห็นโทษมันด้วยโทษของอุเบกขาคืออะไรครูเจ้าท่านตัดว่าท่านไม่เห็นโทษของอุเบกขาเลยนอกจากเสียว่ามันดับไปได้เห็นไหมอุเบกขาก็มีโทษคือดับไปได้ครูเจ้าให้เห็นอะไรให้เห็นเหตุเกิดความดับลดอร่อยอาทินวะคือโทษ และอุบายเครื่องออกไปพ้นจากอุเบกฐานั้น <c oughs> อุบายเครื่องออกไปพ้นคืออะไรก็คืออย่าเพลินกับมันอย่าเพลินกับมันก็คือเมื่อได้มันอยู่แล้วก็ให้เป็นผู้มีสติสัมปชัญญะเฝ้าดูอุเบกขานี่คือวิธีปล่อยอุเบกขาไม่ใช่ปล่อยอุเบกขาด้วยการไม่สร้างอุเบกขาสร้างอุเบกขาได้แล้วต้องรู้จักมันเหตุเกิดของมันความดับนะรู้จักลดอร่อย นะรู้จักโทษรู้จักอุบายเครื่องออกไปพ้นจากมันเข้านใะจไหม อ, มอนุสัยคืออวิชาย่อมไม่ตามนอนแก่บุคคลนั้น <c oughs> นี่นี่คือลำดับขั้นในการวางสุกมารับรู้วางตั้งไว้ซึ่งเบ็ขาไปเกาะทุก รับรู้วางตั้งไว้ซึ่งอุเบกขาขนาดตั้งไว้ซึ่งอุเบกขารู้เหตุเกิดเกิดเพราะอะไรเพราะวิญ ญ, ญาณมารับรู้รู้จักโทษของมันนะรู้จักความดับนะเหตุเกิดความดับอุเบกขาอยู่ตลอดไหมไม่ตลอดวิญญาณก็หลุดจากอุเบกขาไปอีกนั่นคือความดับของมันดับเพราะวิญ ญ, ญาณดับเกิดเพราะว่าวิญ ญ, ญาณมาเกิดที่อุเบกขาดับเพราะว่าวิญ ญ, ญาณดับไป เหตุเกิดของมันคือวิญญาณความดับของมันก็คือวิญญาณดับไปอัศรธาของอุเบกขาคืออะไรการไม่เบียดเบียนกันเป็นอย่างยิ่งนี่คือลดอร่อยของมันคุณประโยชน์ของมันอาทีนวะโทษของมันคืออะไรคือความที่มันดับไปได้นิสสารณะอุบายเครื่องออกไปพ้นจากมันคืออะไรการไม่เพลินกับมันเป็นผู้มีสติสัมปชัญญะ สัมปชัญญะดูซึ่งอุเบกขาอยู่เฝ้าดูอยู่พอมันดับปุ๊บต้องรู้ตัวทันทีอย่างนี้นะ <c oughs> อย่างนี้ก็ชื่อว่าเราอยู่กับอุเบกขาแต่ไม่ติดอุเบกขาท่านตรัสต่อว่าดูก่อนพิสุท์ทั้งหลายบุคคลนั้นหนอละราคานุสัยอันเกิดจากสุขเวทนาเสียได้แล้ว บรรทาปาติคานุสัยอันเกิดจากทุกขเวทนาเสียได้แล้วถอนอวิชานุสัยอันเกิดจากอทุกขมสุเวทนาเสียได้แล้วเมื่อละอวิชาเสียได้แล้วทำวิชาให้เกิดขึ้นได้แล้วเขาจักทำที่สุดแห่งทุกในทิฏฐธรรมนี้ได้นั้นข้อนี้เป็นฐานะที่จักมีไดนะ้เพราะฉะนั้นถ้าใครทำได้อย่างเนี้ย ละสุขละทุกข์ละอุเบกขาได้อยู่อุเบกขาและละอุเบกขาได้เขาจะทำที่สุดแห่งกองทุกนี้ได้ในปัจจุบันนี้เลยนี่จับเวทนาตัวเดียวสุขทุกข์อุเบกขาจับสามอย่างตัวนี้ตัวเดียวสามอาการสุขมาวางทุกข์มาวางตั้งอุเบกขาไว้ขณะที่อยู่กับอุเบกขามีสติสัมปชัญญะด้วย เห็นว่าอุเบกขาเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปรู้จักเหตุเกิดความดับรู้จักอรรถอร่อยรู้จักโทษรู้จักวิธีออกไปพ้นจากมันแล้วเราก็อาศัยมันเป็นวิหารธรรมเครื่องอยู่พระองค์ตรัสต่อว่าดูก่อนพิษุทั้งหลาย เพราะอาศัยหูด้วยอาศัยเสียงทั้งหลายด้วยจึงเกิดโสตวิญญาณการประจวบพร้อมแห่งธรรมสามประการคือหูกับเสียงและโสตวิญญาณนั้นคือผัสสะและพระองค์ก็ตรัสเหมือนกันเลยก็คือเอาหลักการนี้เข้าไปใช้ในทุกอายตนะนี่คือเรื่องตาเห็นรูปอย่างเดียวนะเมื่อสักครู่เนี้ยตากระทบรูปปุ๊บพอใจไม่พอใจเฉยๆวางได้หมด แต่หูกระทบเสียงวางไม่ได้จมูกดมกลิ่นวางไม่ได้นี่ยังติดอยู่อ่านจตนะอื่นนะเพราะฉะนั้นต้องเอาไปใช้ทางหูทางจมูกลิ้นกายสัมผัสแล้วก็ใจธรรมอารมณ์ใจรับรู้ธรรมอารมณ์ขึ้นมาปั๊บเนี่ยพอใจไม่พอใจวางได้ไหมนะตัวนี้ตัวยากอีกเหมือนกันเพราะว่านาคามีก็วางได้แค่ตัวภาษาทางกาย ตาหูจมูกลิ้นกายแต่ทางจิตยังวางไม่ได้นั้นก็ต้องฝึกวางทางจิตอีกทีหนึ่งพระองค์ก็ไล่หูจมูกลิ้นกายแล้วก็ใจก็ตรัสอย่างเดียวกันทั้งหมดท่านบอกเพราะอาศัยใจด้วย ธรรมารมทั้งหลายด้วยจึงเกิดมโนวิญญาณการประจวบพร้อมแห่งธรรม3าประการคือใจธรรมารมและมะโนวิญญาณนั่นคือผสัสสาะเพราะมีผัสสาะเป็นปัจจัยจึงเกิดเวทนาอันเป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่สุขบ้างเมื่อบุคคลนั้นบุคคลนั้นเมื่อสุขเวทนาถูกต้องอยู่ย่อมไม่เพลิดเพลิน เมื่อภาษากระทบกับธรรมลมเกิดสุขขึ้นมาก็ไม่เพลิดเพลินไม่พร่ำสรรเสริญไม่เมามกอยู่อนุสัยคือราคาอมไม่นอนตามแก่บุคคลเหล่านั้นบางทีเรานึกเรื่องดีๆขึ้นมาในใจแล้วก็เพลินไปอยากรู้ต่ออยากคิดตอบปรุงแต่งต่อนี่แหละนี่แหละอารมณ์ที่ดีพอใจก็อยากรู้ต่อไปนี่ราคานุสัยติดตามนอนเนื่องแล้เคยชินแล้ว มันเคยชิดมาเป็นกลับเป็นอสงไข่นั่ะเนี่ยเพราะฉะนั้นเรารับรู้อารมณ์ทางใจปับ๊บพอใจปุ๊บมันจะไหลา ย, ยาวเลยใช่ไหมขณะนั้นเรียกราคะานุสัยเกาะกับเราไปตลอดสังโยชน์ตัวที่สี่ตัวที่ห้าคือราคานุสัยปฏิการนุสัยราคานุสัยเกาะติดเราไปเลยจนกว่าเราจะวางได้อะตั้งไว้ซึ่งกายกตาสติหรืออุเบขาได้ บุคคลนั้นนะเมื่อทุกขเวทนาถูกต้องอยู่เขาย่อมไม่เศร้าโศกไม่ระทมใจย่อมไม่คร่ำครวญย่อมไม่ตีอกร่ำให้ย่อมไม่ถึงความลหลงไหลอยู่นี่ทุกขเวทนาทางจิตถูกต้องอยู่ <c oughs> เห็นไหมรับธรรมรมแล้วนึกถึงแหมคนคนนึงเคยด่าว่าเราอย่างโน้นอย่างนี้ <c oughs> เกิดทุกขเวทนาเศร้าโศกไ้มระทมใจไ้ย ร่ำควรไหมตีอกร่ำให้ไหมถึงความหลงไหลยอยู่ไหมนะถ้าเป็นอย่างนี้แล้วก็อนุสัยคือปฏิฆะเนี่ยกำลังตามนอนแก่บุคคล น, นั้นและกกำลังสร้างความเคยชินให้บุคคล น, นั้นต่อไปแล้วนะเคยชินมาหลายภพหลายชาติแล้วนี่ก็ไม่ยอมวางอีกก็เคยชินต่อไปแล้วกันอย่างนี้ อทุกขมัศสุถูกต้องก็เหมือนกันนะ <c oughs> ถ้าเขาบันเทาราคานุสสายบันเทาปฏิคานุสสายอันเกิดจากทุกขเวทนาและถอนอวิชานุสสายอันเกิดจากอทุคมัสุได้เสร็จแล้วนะนะ เมื่อละวิชาได้แล้วทำวิชาให้เกิดขึ้นเขาจากทาที่สุดแห่งทุก์ในทิฏธรรมนี้ได้นั้นข้อนี้จะเป็นฐานะที่มีได้ไนี่พระสูตรนี้ในปฏิจจสุบาทนะก็บอกให้ละสุขเวทนาละทุกขเวทนาทางจิตอย่าเพลินกับมัน ละอุเบกขาด้วยแต่วิธีละอุเบกขาทำยังไงรู้จักเขตเกิดรู้จักความดับนะตรงนี้ต้องไปดูควบในพุทธวจนะบทอื่นว่าผู้เจ้าเนี่ยให้ใช้อุเบกขาเป็นวิหารธรรมนะเหมือนกับที่พูุ้ทธเจ้าท่านจัดว่าสัตววิหารธรรม6ประการอันพระลานขีณาศกทรงได้นั้นก็คือ ตากระทบรูปผูกระทบเสียงจมูกดมกลิ่นลิ้นลิ้มรสสัมผัสทางกายกรู้ทำอารมณ์ด้วยใจท่านสามารถอยู่อุเบกขาได้เพราะอารมณ์มันหมดแล้วนีนที่จะอยู่มันไม่มีอะไรอยู่แล้วคือถ้าไม่อยู่กับกายตั้งไว้ซึ่งกายยกตาสติก็ตั้งไว้ซึ่งอุเบกขาเวทนานเป็นอุเบกขาอย่างนี้ <c oughs> นี่ถ้าเราดูตรงนี้ก็เรียกว่าเรากําลังเป็นผู้ฉลาดในอายตนะทุกกระบวนการของผัสนสะเราเห็นสุขทุกอุเบกขาทุกๆครั้งที่มีผัสสะกระทบผัสนสะรรกระทบปับ๊บเกิดพอใจไม่พอใจเกิดเฉยเฉยเราเห็นแล้วเราก็ตั้งจิตไว้นะกับความเฉยเฉย